สิตติยนวะกะว่าด้วยความหมดจดจากอาบัติโดยขั้นตอนที่สรวม9กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างละกําหนดได้บ้าง กระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกาลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิม เพื่ออาบัตในระหว่างกับสง์สงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริบ่บไม่ควรแก่ฐานะให้สมโมธานปริวาทโดยไม่ชอบธรรมภิกษุนั้นสําคัญว่าเรากําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้ ภิกษุนั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได้ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ภิกษุนั้นคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างและกําหนดได้บ้าง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 เพื่ออาบัตในระหว่างกับสงสงชักเรานั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมอันไม่ชอบธรรมกรรมเริ่บไม่ควรแก่ฐานะได้ให้สโมทานปริวาทโดยไม่ชอบธรรมเรานั้นสําคัญว่าเราอยู่ปริวาทต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่าง มีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้เรานั้นตั้งอยู่ในภูมินั้นระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนได้ระลึกอาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลังได้ฉไหนหนอเราพึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลัง ด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กําเริบควรแก่ฐานะพึงขอปริวาสโดยชอบธรรมพึงขอมานัดโดยชอบธรรมพึงขออัพปานโดยชอบธรรมกับสงฆ์ภิกษุนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวก่อนและเพื่ออาบัติในระหว่างบรรดาอาบัติตัวหลัง ด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะขอสโมโอทานปริวาสโดยชอบธรรมขอมานัดโดยชอบธรรมขออัพานโดยชอบธรรมกับสงฆ์สงชักเธอเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวก่อนและเพื่ออาบัตในระหว่างบรรดาอาบัตตัวหลัง ด้วยกรรมที่ชอบ ร, รมไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สมโมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยชอบธรรมอภิานโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นหมดจดแล้วจากอาบัตเหล่านั้น